เป็นเทศของธนาจารย์พระมหาบัวเทศที่สลาลรงครัวในคืนวันที่สามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อสิบแปดที่เหนอะไรตัวเรากอยู่ที่ไหนก็ตามให้ผมดูไว้กิ่งถึงแล้วทำจะมาสัมผัสนนี้ยิ่งเด็ด ตั้งไม่ชัดยี่งกว่าเราส่งสิ่งออกไปฟังฟังเทือกเพื่อให้เกิดผลในการทำจิเมื่อเราตั้งไว้ยืนแล้วทำกระแสต่างๆสัมผัสสัมผัสนั่นก็มันก็เหมือนคือรับสัมผัสตลอดเวลาจิตก็มีโอกาสที่จะทำนั่นนั่นนั่เป็นการต้องต้องวิธีการของการฟังเทือ อะไรก็มีห้าเหมือนกันมันลืมไ่มเนี่ยเร like, ื่องข้อตัหขหินมดาไหบ้างนนตั้งแต่นำตรีนุ่นอันนี้สการฟังธรรมมีห้าแลวองค์ของผู้แสดงธรรมก็มีห้าเหมือกันองค์ผู้แสดงธรรมมีห้าคือหนึ่งแสดงธรรมโดยับนัตตะละให้ผักความสองอ่านในลนี้ ให้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจสามสักสิทธิ์ไม่ตาตัดนักเป็นประโยชน์จากผู้ฟังส่ไม่เคยไม่เคยทาก็เห็นเจรร่าห้าอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยทำก็ยกตนข่มคนอื่นห้าองค์ทากระถึกคือนักเทศที่จะแสดงธรรมแล้วการทำทำส่วนต้องการการทำก็มีห้าเหมือนกัน หนึ 1> 1 like, cards, iles, ่งผู้ฟังทาได้ได้ทัาสิ่งที่ยังไม่เยดินได้ฟังสองสิ่งที่เคยได้ยิงแล้วแต่งมเข้าใจชันก็จะเข้าใจถี่มั่นชัดสานจะมันเทาความสัยได้สี่จะความเห็นใ่อถูกต้องได้ห้าผูฟังต้องเนใสผลที่ได้รับในปัจจุบันคือจริงนที่เรายัสไม่เคยได้ยนเราได้ฟังแล้วเราก็อ่านได้ยินได้ฟังเพาะู้เทศน์ก็ได้แย่ทํามาต่างๆกัน ถ้าสิ่งที่เยินฟังแล้วก็จะชัดสิ่งที่เด็กตรงนั้นยังแก้ทำไมได้แก้หยิ่งก็แก้ได้ทํามะเดอทำควมเหได้ตรงหน้าอันนี้ก็นําึ่งสำคัญคือเวลเรานําค่อยเผยในจิตของเราสงสัยอย่างเลยพราะท่านเชื่อใจถึงจุดนั้นเข้าใจความเห็นของเราก็ตรงไปถ้าจิที่ฟังมันผ่องใสคือไม่สงบจิตไม่สงบมันก็ผ่องใสนะถ้งไม่สงบมันจะเอาอะไรมาผ่องใส น้ำก็มันก็มันก็ใสยตามันนิ่งตะกอนมันนอนข้นทำของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากถ้าเป็นธรรมดาสามัญเรานี่กรเหยยบหรอถ้าเราจะรวบรวมทำทุกขั้นมาพิจารณาแล้วไปเลยมันสู่พิสัยของเราทำขั้นสูงขั้นละเอียด งั้นตะขันยำยามันไม่สุดิ่งใในการที่จะทราบความจะจะเข้าใจแต่ที่เหลวมันก็ให้สุดยิ่งใสทาไม่ได้มั่งอะไรมั่งี่เกียนมั่งเนี่ยงสุดยิ่งใสอันเนี่ยที่เหลวพายให้สุดยิ่งใสกูมีตัวอย่างน้องไม่สามารถคิดจริงริมันก็มีสิ่งที่เราพอทาได้นี่มันก็สุดิ่สไปเร่เรื่ยช่่มันตัดิสัยที่ ที่ควรจะสืบต่ อ, อไปนั่นออกด้าเดือหล่อมอะไรมันตัดความขี้เกียจความอ่อนแอการจพ่พิจารณาใส่อจตามธรรมทำนเนี่ยต่างๆนันก็ขี้เกียจไปหมดความขี้เกียจมันครอบมันมนีอำนาจมากสิ่งที่มั น, น, นไม่ขี้เกียจคือสิ่งที่กิเลสชอบนั้นไม่คี่เกียจกิเลสพาเดินไปไหน เ, เดินไปได้ สนปลายก็รู้สึกว่าเชือกที่ดึงไปนั่นอะ่ะมันไม่ตึงเลยอะ่ะมันวิ่งตามไปตลอดครับถ้าว่าสมมุติเราทำมีสนทภายดึงในจมูกขาดไปหมดมันจะต้องมาสนปลายกลางตัวน่ะกลางตัวมก็จะขาดตรงนี้มันไม่อยากไปมันมันหนักไปหมดเลยความไม่อยากไปมันหนักไปหมดมันอ่อนไปหมดเขาไม่อยากทํามันอ่อนนี่ย เราจะทำไปให้หนักมือบ้างพอที่จะให้พิีเลชมันตื่นมันกำลังนอนสบายล่องเก่งสบายอยู่บนหัวใจเราแล้วเห ม, มือนก็ว่ามันเพิ่มไปทั้งนิดหนึ่งนี่นะเราปฏิบัติทำเข้าไปพอจะป็นการสูกพี่เหชมันมั น, นก็ยังไม่พอให้พลีเดตื่นใช่ไหม เราก็เผินซะก่อนแล้วที่เรียนนังไม่ตื่นเลยมันตื่นมันตื่นเพื่อจะคู่หรือมันตื่นตื่นเพื่อจะมาสอนเราเพื่อจะมาตาหักเราหรือมันตื่นเพื่อจะหนิงที่เรียนมันตื่นน้อยตื่นมากมันตื่นเพื่อจะมาตำตาหนักเราเพอจะนั่งคอนานก็อ๋อเนี่มันหนักมากไปนั่นนั่งนานไม่ได้นะหยิบ เ, เป็นโรคหนิข า, านัน <c oughs> เขาเกษตรชานี้ว่าไงครัเสียแจเสียขาเสียวิวะไม่ไหวนัน่นกิเลสมันบอกไม่ไหวที่เาต้องทําพอดีพอดีด้วพอ ด, พอดีพอดีคือไ ง, งที่มันกองกลางจริงๆก็คือหมอนวางในกงกลางพั๊บได้ความเลยนั่นแหละมัชชิมาของกิเลสที่พระพุทธเจ้าทำไว้คือความพอดีของกิเลสมันพอดีไปอย่างนั้นถ้าเป็นความพอดีของธรรมความพอดีของมัชชิมาอย่างๆแล้วกิเลสยกกองพลมา เรายกกองคนเลยวิเดียขนาดไหนเราก็ยกรับวิเดียขนาดนั้นเป็นอย่างน้อยและมากกว่านั้นเพื่อจะกําลังกําลังมันจะมากเอนกันวิเดียถึงจะแพ้เราวิเดียเวลามันรังควนเรามากๆเราก็ต้องสู้มันให้นังหนักนั่นมันหลอกลรามากเราก็ หลอกมันมากไปยิ่มันมากควรถึงเป็นยิ่งตายเอาเขาให้ถึงนี่คือนักสอบทู้คือนักโรคตายก็ตายตายในสงครามแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าแพ้นา่าังตายในส ง, งครามไม่ไม่เป็นไรมีเกียรแต่ความแพ้ถอยหลังมากรุ่นๆนี้ถึงจะมีทีวิตอยู่นะมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยนี่เรามัชชิมาให้แพศเป็นอย่างนั้น อา้าวจะตายก็ตายเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็าทำเราจบถึงเวลเด็ดต้องเด็ดที่เล็ดเตียดเราต้องเด็ดที่เล็ดแข็งเราต้องแข็งที่เล็ดถึงไหนเราถึงนั้นอา้าวเจ้าถึงตายแล้วเราพร้ยอมตายเราไม่ถอยนี่หละมัชชิมาของพุทธเจ้าคือทันที่เล็ดเข้าหไปเรียกว่ามัชชิมาถ้าตามที่เล็ดไม่ทนันไม่เรียกว่ามัชชิมา ก็เลสรเภทไหนทันเอาให้ทันกิเลสประเภทนั้นโดยลําดํบับมันจะแหลมคงขนาดไหนเอาขนาดนั้นมันจะโหดร้า้ทารุขนาดไหนเราก็เอาให้ถึงความโหดร้าทะลุของกิเลสเราก็หาโหดร้ายทะรุตามเรื่องของธรรมที่จะฆ่ากิเลสกิเลสยอมแพ้เร า, เรากิเลสหมดไปมากน้อยท่าไรนั่นแหลมเรียกว่ามัคคิมาเหมาะสมที่สุดต่อ ก, การฆ่ากิเลสมัคคิมาท่านเป็นอย่างนี้แต่ทางท่านเข้าจใกท่างสามุก ท่านทำความภาพเพียงบางอี้เป็นคติได้อย่างนี้นอยอยานสางองค์ให้ตาแตกน ะ, ะที่เลยกก็แตกพอได้ตาแตกที่เล็กก็แตกทำก็สว่างจ้าขึ้นตาภายในสว่างจ้าขึ้นพราจะย์มั่นสลบช้มหงษ์ท่าสลบนี้ป่วย ป่วย ท, าทา่านท่านภอวนานั่งภาวนาทำทุกข์ขนานาั้นเอาว่นจังหนักสู้กับเวทนาพิจนาสหลบล้มลงไปรู้สึกว่าปุ้บขึ้นอีกจามโมงจะไม่ใช่ให้ผลเดียวกันนั้นให้ตายเมนน่าอเอาจนเอาจนขนะามานัา่นมัติมาห่าบางอยู่ มัธสมาผูา้จเจี่แบบแบบไหนก็ต้องเอาแบบนั้นออกมาใช้ทำมู้เชี่าที่ว่ามัตสีมาที่เหมาะสมกับการฆ่าที่เด็กไม่ใช่เหมาะสมกับการส่งเสริมที่เล็กให้เราเข้าใจไว้ตรงนี้สำคัญมากมัธสีมาของเราคือมัธสีมาที่เล็กเท่านั้นทำ้รลงไปกลัวจะจะายกลัวจ ะ, จะเหน็ดจะเหนื่อยกลัวจะลำบากลบนกลัวจะเป็นโรคหยุดากลัวจะเสียการเสียงานกลัยจะคึกกว่านี้กลัจะล่าสมัยกว่านี้ เหมือนกับทำวิชาเป็นทำล่าสมัยถ้าทําำวิชาล่าสมัยสอนคนนั้นเป็นสูกความสูกรไม่ล่าสมัยหรือต้องการสมัยสมัยไม่ดูดเข้าไปที่มันร้อนๆนั่นมันจะได้ทันสมัยแต่ความสูกนี่โลกต้องการกันทั้งนั้นแม้แต่ตัดเอสารต้องการวิชาสอนคนนั้นเพถึงความสูกความเจริญแล้วมันจะล่าที่ไหนล่าสมัยผลคือความสูกความเจริญที่ตัดโลกต้องการ ก็คือการดําเดินเข้าไปด้วยความสงบสุขโลกเย็ที่เหลือก็เหยียบย่ำทําลายจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายเป็นไปทั้งกองนั้นเราทําสมัยแล้วหรือยังการฆ่าที่เหลืด้วยมัชฌิมาปฏิบัติธรของพระเจ้านี่ให้มันราบลงไปออกจากจิตนั้นมันลาาสมัยแล้วหรืแล้วใครไม่ต้องการความสุขในโลกนี้าผู้ใดไม่ต้องการความสุข เขากับสุดเป็นละเ ป, นเป็นเป็นสิ่งที่น่าสมายัยเขายอมรับให้เสียคนประเภทนั้นนี่มีความสูงนั่นเราต้องการต้องการทุกคนแล้วทาสอนคนเพื่อให้รับความสุขความเป็นเลยทำไมจะเป็นล่าสมายัยแล้วผลปรากดขึ้นมาก็เป็นความผุขแล้วล่าสมายัยที่ไหนคำว่าล่าสมัยก็คือเรื่องของวิเิยะดีๆวิเิยะมันทันสมยัยเราล่าสมายัยมันไม่ทันกับวิริยะ คนมายามกิเลสมันแหลมคมมากหลอกทั้งวันทั้งคืนเพื่อมันตลอดกลับตลอดกันเราไม่ทราบว่ามันมหลอกว่าเราดูที่ใจของเรานี้อย่าไปดูที่อื่น<ม>การเรียนทำการปฏิบัติทำเรียนที่ใจดูความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมามันคิดถุกดีเชั่วกับการในความคิดนี้ในแง่ใดที่เป็นการส่งเสริมกิเลสคือความมุ่นหมขึ้นมาแต่งตนความคิดชนิดนั้นเป็นไฟเป็นความผิดให้พยายายมแย่ไขมันทันทีเช่นเดียวกับดอกไฟ กระเด็นมาถูเราเนี่ยแม้แตเล็นิดเดียวก็ตามมันยังสแสดงความร้อนเราต้องรีบปัดออกทันทีมไม่ใช่ว่าเราจะไปโดดเข้าไปสูบกองไฟในดอกไฟมันน้อยนิดเดียวมันพูดกองไฟมาได้โดดเข้ากองไฟจะดีใครมีความคิดอย่างนั้นหรือโลกที่มีสติทธิ์ก็ต่าอยู่แล้วจะไม่คิดกันนอกจากคนม้าหรือคนตายแล้วเท่านั้นไม่ว่าเนั้นไปดูนี่ยั้องพิเารณ์มันก็ไปคิ ด, ด, ด, ด, ด, ดต่อโลกอย่างนี้อนั้นค้กัน ถ้เราคิดอย่างนี้ให้ถึงใจแล้วการแก้เคล็ดก็แก้อย่างถึงใจนั้นรู้ผลของการแก้เคล็ดอย่างถึงใจอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาทําธรรมสอนโลกทรงสอนเรื่องความถึงใจเพราะรู้แล้วอย่างถึงใจปฏิบัติอย่างถึงใจมาสอนโลกต้องสองให้ถึงจิตถึงใจไม่ถึงใจไม่ถึงกิเลสกิเดสจะตกใจถึงคนเราต้องการนักไม่กันต้องการที่จิต ค, ความสิ้นความเบื่อในความหลังอย่างนั้นแต่ไปโลกไหนก็ตามไปที่ใดก็ตามต้องการความอความเบื่อที่ย่าบด ท, ทั้งสิ้นความต้องการความสิ้ความเบื่อเป็นเห็นพิธของใจที่เป็นความมุ่งหมายเป็นล่าขาน้องใจในความขันและเหตุใดทําที่เป็นเครื่องแช่เฉลด่ยเพื่อให้ผลความต้องการนั้นจะเป็นคาํา ท, ที่ล่าสมัยไปดูที่ใจ การปฏิบัติธรรมมันคิดเป็นแน่หละนี่มันเป็นปัญญาของจิเลหรือเป็นเรื่องของธรรมนีม่เป็นเรื่องสังสมจิเหรือเป็นเรื่องแย่จิเลเราจะทราบในขนาดผิดของเราเป็นขนาดขนาดอะไพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอพิจารณาเรื่อยๆมันก็ยิ่งเห็นโทษเห็นคุณไปเรื่อยๆทางใจนั่นแหละไม่ได้มีที่ไหนที่เป็นบอกเกิดแห่งคุณแห่งคุณแห่งโทษแห่ ง, งกรรม มั้เกิดที่ใจลังงับกันที่ใจนั้นเมื่อรังงับที่ใจแล้วมันก็แสนสบายให้เวลามาควรใจมีที่เล็ดอย่างยอดท่านั้นที่ควรใจตัดโลกาให้มาตกแต่งติการไม่หยุดไม่ยั้งมัดต้องาักายเหตุที่ไหนเกิดได้ตายเล่แตลอดเวลาก็คือเรื่องที่เล็ดเรื่องหยุดหมดที่เด็ดได้หมดชึ้นประจักใจแล้วต้องความเกิดความตายไม่มีปัญหาว่าเอาปัญหาจะไหนเรื่องปัญหาเป่ององที่เ็ดทานั้น อ๋อส ah ิ้นไปแล้มันก็หมดปัญหาเพราะงั้นผู้ก่อความจริงเรื่องของพิเศษผู้ทําลายคือเรื่องของพิเศษนี่ว่าทําลายสิ่งที่กอบความนั้นสิ่งที่ทำลายตนอย่างน้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาขอบควาทํลายนิสงศุขอย่างือนยังบ้านเมืองมันมีอะไรมาขอบความทำลายบ้านเมืองนั้นก็สงบสุขถ้ามีสิ่งแคกชือมิ่งกอบความทำลายอยู่มันก็เกิดร่องวายอย่างที่เมืองไทยเราแสดงอยู่เราเห็นอยู่แล้วมันมีอะไรอยู่ จิตสงบป เ, ปปงสเป็นไงจิตเุ่งช้านเป็นไงเราเป็นผู้ทําให้จิตเพ่งช้านเสมอผลของความเพ่งช้านก็คือความทุกข์ความสงบก็เป็นผลของการกําหนดการพิจารณาการรักษาความสงบมีมากน้อยความทุกขก็มีมาลำตามกัน งานที่ไหนโลกเคพีองเล็กน้อยเราก็พอได้สบายใจมากไ ม, ม่ร้อนต้องร้นทั้นทีเพราะเรื่องของที่ยูดูที่ใจนะไม่อยู่ที่อื่นทำนี้ได้ถึงสอนลงที่ใจเป็นน้ําคัญตจนี่เป็นใหญ่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นใหญ่เมืจจ่อจิตใจใจนี้เป็นใหญ่มาก โลกจะแสดงความเดือดร้อนมีานว่นขึ้นมาขอเข้าใจแข่งผู้กคองโลกโลกจะมีความสงบร่มเย็นโดยทั่วกันขอเข้อใจที่ปกองโลกเนี่ยมีธรรมมีเหตุมีผลเป็นเคื่องปกคลองถ้ามีคือมีแปรอะไรนันก็ดีให้มีขือมีแปลอะไรมนจะแย่อีจางเราถ้ามีคือมีแปรเป็นเครื่องปกคลองแล้วมันก็ดีก่าให้ขี้เกียมาเป็นือเป็นแปรแล้วมันแปลกขึ้นอ่าเอาละเป็นร่างเราไมากแลเนี